ท่านฟังคะกระมาชาคาวโรจากปนาปราพงลำลูกกาคลองสิทธ์ก็ผ่านไปนะคะนอกนอจากที่ท่านได้นำปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติอาณาปานสติแล้วท่านก็ยังได้อ่านพระสูตรซึ่งคือพุทธว จ, จนะของพระพุทธองค์อีกด้วยท่านที่อยากจะอ่านเองบ้างก็สามารถที่จะขอหนังสือมาได้นะคะ0ูนย์สอ0 6ค่ะ พระจานทร์คือกรีฑท่านก็มอบให้พวกเรากันวันละสามเล่มนะคะตอนนี้เราไปพบกับพระพิบูลอภิปุโนช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกันค่ะน้ำสการท่านคะเชิญปานค่ ะ, ะ, น, น, คะนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะได้มาถวายพุทธบูชาให้กับพระพุทธองค์ในโอกาส 2,600 ปีพุทธชยยนตีค่ะอืมเอ่อก็จะพูดถึงเราเนี้เราจะข้ามไปถึงตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานบ้างกดีกว่าเนาะ ว่าตอนนั้นโปรุชาก็นอนก็เรียกว่าอะไรล่ะตะแค ง, งข้างขวานอนสี่ยาสียกละคือคือต้องพูดถึงเหตุการณ์ก่อ น, นะนหนั้นนะิดนึ่งก็คือว่าโปรุชาของเราเนี่ยก็ไปเดินมาตามถนนตามทางนี่นะแล้วก็พบกับไปที่หมู่บ้านมูลหนึ่งแล้วก็มีนายจุนทักษ์กรมรบุตรเนี่ยเขมาถวายอาหารนายจุนทักรรมรบุตรก็ได้ปรุงอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสุกรามัทวะ พอปรุงอาหารชนิดนี้แล้วเนี่ยผู้ชายการประทานรูปเดียว แ, วแล้วรูปอื่นก็ไม่ได้ให้รูปอื่นชันด้วยเพราะว่าไม่เห็นใครที่จะสามารถย่อยอาหารชนิดนี้ได้นอกจากพระองค์เองแล้วก็เลยเดินทางต่อมาที่เมืองกุสินาราที่เราทราบกันว่าเป็นสถานที่พรินิพพานแต่พอมาถึงสถานที่นี้แล้วก็ระหว่างทางที่ไปนี่ก็มีความหิวน้ํามากเลยนั่งพักก่อนเหนื่อยนะแล้วก็ป่วยด้วยป่วยด้วยเหนื่อยด้วยแล้วก็กินอาหารที่ไม่ถูกธาตุด้วยประมาณเนี้ย ก็เลยอ่อนเพลียก็เลยขอนั่งพักสักหน่อยหนึ่งความน่าสัจจรตรงนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนั้นพระอนุลไปตักน้ำํำนะก็เลยให้พร ะ, พระอนต์นนไปรับน้ําไปหาน้ํามาซึ่งภิกษุเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีสมัยนี้ก็เหมือนกันนะจะต้องมีเครื่องกรองน้ําบกติดตัวเอาไว้นะผ้าเป็นผ้ากรองน้นําเพื่อที่จะไปหาน้ําตามแหล่งน้ําอะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้ผ้ากรองถ้ากินนึ่มน้ําโดยที่ไม่กรองเนี่ยไม่ผ่านเครื่องผ้ากรองน้ำเนี่ยจะต้องเป็นอาบัต และเป็นความผิดซึ่งท่านพระอนุนก็มีอยู่ละแล้วก็เลยไปเอาบาตรเนี่ยไปตักน้ําแล้วก็โดยใช้ผ้าเนี่ยกรองน้ํำมาปรากฏว่าระหว่างที่ไปตักนี้พอไปถึงสถานที่ที่จะตักน้ําได้เนี่ยก็น้ำขุ่นมากเพราะว่าเพิ่งมีเกวียนเขาเดินข้ามไปแล้ว ก, ก็เลยกลับมาบอกบริชาว่าเออน้ําขุ่นอยู่ยังไม่สามารถกินได้ให้อดทนไปก่อนได้ไหมบริชาบอกให้ไปตักมาอีกรอบหนึ่งถ้าอย่างนี้อยู่3มรอบนนจนกระทั่งพระอนุเนี่ยระหว่างที่เอามือจุ่มลงไปในน้ำเนี่ย น้ำก็ใสขึ้นมาทันทีตรงนั้นอแล้วก็ดื่มน้ําได้อประเด็นตรงนี้ที่ต้องการจะพูดถึงก็คือว่าความพิเศษของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางทีมันมีหลายๆอย่างที่เราอาจจะอธิบายไม่ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของมหาบุรุษก็ตามแตนะ่บางข้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่นี่เป็นความพิเศษที่ให้เราทราบเอาไว้แล้วกันว่าบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลพิเศษแล้วเราก็ทราบไว้เป็นข้อมูลเฉยะค่ะ นะคะก็ให้รู้จักพระพุทโ์ของเรามากยิ่งขึ้นนั่นแหละแต่ที่ฉคิดว่าบางคนที่ยังอยู่ในกิเลสอยู่อย่างกับตัวของดิฉันเนี่ยยังกําจัดไม่หมด น, นะคนแหลฟังไปแล้วรู้สึกแหมทําไมนายคนนี้จะต้องมาถวายอาหารนี้ให้กับพระพุทธเจ้าด้วย <S <S ถ้าไม่ถวายเราอาจจะมีพระพุทธองค์ที่ได้อยู่นานกว่า น, นั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้มองเห็นไว้ก่อนแล้วจึงได้บอก พระอ น, นุนคืออาจจะมีคนมาพูดอย่างนี้บอกว่านายชุนทะนายมาถวายอาหารมือ้อกลางพชะเานี่ไม่ได้เถื่อนนะไม่สวยแน่นอนเป็นบาปกรรมมหาศาลใช่ซึ่งพระเจ้าก็เลยบอกท่านพระอ น, นุนบอกว่าอะต่อไปนี้นะเป็นพุทธวจนะให้เธอนําไปบอกนายชุนทะกรรมธบุตรอย่างนี้ว่าการที่ได้อาหารมื้อสองครั้งเนี่ยอาหารมื้อที่สำคัญสองครั้งเนี่ยสําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐมากๆนะคืออาหารมื้อที่รับประทานแล้วเนี่ย ตรัสรู้เป็นสมาสมบทิยาตรัสรู้เป็นพระเจ้านี้อย่างหนึ่งกับอาหารมื้อที่รับประทานแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานทานนี้อย่างที่สองนั่เป็นอาหารที่มีอา น, นิสงส์งมากมีบุญมากอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่อจะเป็นความบาปที่เกิดขึ้นใช่ไหมพระเจ้าบอกอันนี้เป็นบุญสู ง, ส, ง, ส, งสุดเลยดีมากๆไว้อย่างนั้ น, นจุนทะได้บุญสูงสุดไปเลยใช่แล้วก็เอเรื่องของการรับประทานตรงนี้นะเอเราก็ จริงๆถ้าผู้ชายไม่ได้ปร่งอายุสังขารไว้ก่อนนายจุนทาอาจจะซวยอย่างนั้นจริงๆอาจ จ, จะถูกคนกล่าวหาได้แต่ผู้ชราได้ทําการตั้งใจไว้แล้วว่าจะโปร่งสังขารสามเดือนก่อนหน้านี้แต่พราเหตุการณ์มันมาประจบเหมาะพอดีก็จะคนจะไปโทษนายจุนทะก็จะไม่ได้แต่ผู้ชราได้ตั้งใจที่จะปรินิพพานก่อนหน้านั้นแล้วอืคือจริงๆเนี่ยถ้าที่ฉันจะพูดแบบพอเราฟังเรื่องพวกเนี้ยเราคิดยังไงเนี่ยก็ เหมือนกันนะคะว่าท่านเปโบนจะนึกว่าดิฉันเอไม่เข้าใจธรรมะหรืองไงคือคือเหมือนกับว่าคล้ายๆพอเป็นเรื่องราวเนี่ยเราก็จินตนาการกันตามเรื่องราวแล้วก็สรุปได้ว่า อ, อ, อันเนี้ยจะได้เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นถึงพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา อ, อันยิ่งใหญ่ก็ยังหนีไม่พน้นคือข้อที่หนึ่งเรื่องความตายใช่ข้อที่สองคือเรื่องวิธีในการที่จะทําให้ปรินิพานนะคะหรือว่าทําให้ชีวิตของท่านดับไปเนี่ย มันก็เกิดจากเหตุเกือบจะบอกว่าก็เหมือนกับปุถุชนธรรมดาในบางคนก็เจอกรณีนี้ได้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือการการให้เราพิจารณาทำได้ด้วยอืมแล้วแล้ว <c oughs> คือก็ต้องที่เอาประเด็นนี้มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้เห็นว่ า, เ, าเรื่องพิเศษก็มีนะเรื่องธรรมดาก็มีน ะ, ะเรื่องพิเศษพิเศษอย่างเช่นว่าอา่าตักน้ําไปแล้วน้ําใสขึ้นมาหรือว่าการแสดงอทธิปฏิหาหรในลักษณะ มหาบุรุษสาสองประการเรื่องธรรมดาธรรมดาก็มีนะอย่างเช่นว่ากินอาหารป่วยอะไรต่างก็มีหมดถ้าพี่บุญคะที่ฉันจำได้เลยว่าตรงจุดที่จะผ่านบ้านนายจุนทะละแวกนั้นเนี่ยเคยไปอินเดียนะคะ uh huh. แล้วก็มีประสงค์จะนําเล่าเรื่องต่างๆพุทธประวัติเมื่อผ่านตามตําแหน่งที่เกี่ยวข้องอพอมาถึงตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าคนทั้งรถที่มีอารมณ์ร่วมมากๆแล้วก็รู้สึกอย่างที่ดิฉันบอกไปในตอนนั้น่ะ mm hmm. รวมมาถึงตอนที่ mm hmm. โอ้พระพุทธองค์มีปฏิหารเหรอตรงเนี้จินตนาการเลยผ่านสายน้ําสายนี้มีกองเกวียนมาจอดทําให้น้ําขุน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. มันก็เห็นภาพตีอืม mm hmm. เขาพาไปผ่านบ้านในชุนทัศกมรดบุตวยเหรอใช่ค่ะเคยไปแล้วก็มันทำให้เหมือนกับว่าการเล่าเรื่องมันสนุกสนานมากขึ้นเพราะมันเห็นสถานที่ธรรมดาเราคงนึกอะไรไม่ออกมากเขาไม่ประกอบเรื่องเข้าไปก็จะไม่ประใจนะคะใช่ใช่ใช่เดีค่ะและนี่ก็เป็นส่วนของพุทธชยันตีซึ่งดิฉันเข้าใจว่าจะได้นอกเหนือจากการบูชา ด้วยวิธีอื่นๆที่เราบูชากราบไหว้ถวายดอกไม้ทูบเทียนกันอยู่แล้วเนี่ยก็ด้วยการใคร่ควรวญธรรมของท่านที่เราได้ตอนนี้เป็นการปฏิบัติบูชาใช่นะคะปฏิบัติบูชาสูงสุดใคร่ควรวญธรรมตรงนี้เราเอาเหตุการณ์ตรงนี้มาใคร่ควรวญก็ได้ว่าพิเศษก็มีธรรมดาก็มีชีวิตชั้นบางทีมันกเ็เรื่องอะไรที่มันไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นที่เป็นดีๆมันก็มีบางทีเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นที่เป็นไม่ดีก็มันก็มี มันก็เป็นธรรมดาเอพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ค่ะ๋ต่ฉันเห็นหัวคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งน่าสนใจมากเขาพูดว่ารัฐมนตรีท่านหนึ่งลงธรร ม, มาทุดงในธรรมเนียบเหตุผลที่เขียนอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าในช่วงที่การเมืองไม่ดีท่านรัฐมนตรีท่านเ น, น, นี้ยท่านได้ไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอ บทความเขาเขียนเรื่องการเมืองเลยนะคะแต่ว่ามีประโยคหลายประโยคอะที่มันเกี่ยวกับเรื่องธรรมบอกว่าจากทางโลกจากโลกไปทางธรรมครั้งหนึ่งแล้วทําไมถึงกลับมาทางโลกอีกอืมมันหนีโลกยากหรือไงคะท่านคะในชีวิตมนุษย์เนี่ยอืมุคุณที่มาบวชแล้วแล้วก็สึกไปก็มีหลายเหตุผลนะน ะ, ะแต่เหตุผลทั้งนี้ทั้งนั้นของแต่ละใครก็แล้วแต่ก็จะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของกาม ก็ไขสปลาหมากามนะคือกรรมคุณฮก็ถ้าเรายังมีความกำหนัดโมเมาลุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคุณจะต้องไปเสพสิ่งนั้นแน่นอนมันมันเป็นธรรมดาค่ะแต่ถ้าคิดในแง่แง่ดีคือเหมือนกับว่าการที่มีคนที่ได้รับการบ่มด้วยทำมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วกลับไปทำงานซึ่ง ปกติเขาว่าเป็นงานที่มันมีกิเลสอยู่ในนั้นเยอะเนี่ยก็น่าจะมีมุมที่เป็นประโยชน์นะครับาน่ะก็คืออย่างน้อยเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็จะได้รู้สภาวะจิตของตัวเองมากขึ้นนะคือหมายความว่าถ้าเวลาเราไปบวชเรามีการฝึกจิตฝึกใจอย่างตามระบบระเบียบที่พูทเจ้าสอนเอาไว้ใช่ไหมไ อ, ไอ้คุ ณ, นะคณธรรมคุณสมบัติความสามารถตรงเนี้ไม่อยู่ในอะไรมันก็ดีหมดค่ะ มาถึงตอนนี้ที่ฉันเชร์เลยนะคะว่าไหนๆมีโอกาสเข้าไปอยู่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนั้นเนี่ยในลักษณะของผู้ที่มีคุณสมบัติมาบ่มกล่าวด้วยทำแล้วต้องพยายามหาช่องเอาทำไปวางวางวางวา ง, วางให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยก็ยังดีใช่ให้กำลังใจคะ่ะอแล้วคือคนคนที่เขาเห็นคือเขาจะเห็นสองด้านมาแล้วไงคุณยมเตเนี่ยอหมค่ะ <c oughs> ทางด้านดีด้านชั่ว ถ้าเรามีเครื่องมือในการที่จะเอาด้านชั่วๆออกไปซะหรือจะได้ดีๆเอาไว้นะมันก็จะเป็นการดีมากแน่นอนค่ะท่านพิบูลคะที่ฉันไปได้หนังสือมาเล่นแต่ยังไม่ทันอ่านนะคะได้แต่พลิกไปพลิกมาเป็นหนังสือเรื่องโพชูดช ม, มแต่ที่ฉันเห็วิธีในการนําเสนอเนี่ยนําเสนอง่ายมากเลยอืมก็จึงคิดว่าวันนี้เนี่ยในรายการนี้ ถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องนี้อีกสักครั้งก็น่าจะดีเพราะว่าทันทีที่เห็นแค่ปกคำว่าพดชงคนรับหนังสือไปดิฉันก็ว่าเขาง ง, ง, งมากดิฉันได้รับการมอบต่อทันทีจากคนที่ได้รับ <c oughs> จากมือของคนให้แล้ว <c oughs> <c oughs> บอกพี่เอาไปอ่านเลยเพราะว่าหนูคงไม่ได้อ่านอะไรเงนี้นะคะ <c oughs> อะดิฉันเลยเข้าใจว่าต้อทําความเข้าใจเรื่องชื่อคือชื่อนะ่ยดูเหมือนโอ้โหยิ่งใหญ่ไปถึงยากเข้าใจไม่ได้แน่ อ, อจริงๆงงแล้วโพ่อชงถ้าเกิดคนไปเจอหนังสือเล่ม น, นี้ปุ๊บเนี่ยควรจะหยิบไปอ่านเลยหรือว่าควรจะมอบต่อคนอื่นเลยเพราะคิดว่าเราเข้าไม่ถึง อ, อประเด็นแรกคือเราควรจะต้องเปิดกว้างอนะทําใจเปิดกว้างผู้เออช่าเกิดเปรียบเหมือนกับตุ่มที่เปิดฝาไว้แต่ถ้าเราเป็นตุ่มที่ปิดฝาเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่ค่ะนี่คือประเด็นแรกก่อนที่ว่าควรจะเอาไปอ่านไหมก็ควร อ, อ ปัจการที่2หรือว่าถ้าผอว่าเราเห็นว่าเออคนนี้จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เราก็จะมอบให้ต่อก็ได้ด้วยจิตที่เรียกว่าอย่าไปคิดว่าตัวฉันไม่เข้าใจอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะถ้าคิดอย่างนั้นคุณเป็นตุ่มปิด <Okay. S 1> แต่คุณอาจจะเป็นตุ่มเปิดก็ได้แต่ว่าคุณก็ยังให้คนอื่นอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้โ <Okay. S 1> ด, ดยการที่เราว่าตั้งใจเราจะรู้แต่ว่าเออคนนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเราจึงมอบให้ด้วยจ <Okay. S 1> ità, ิตท <Okay. S 1> ี่เป็นอนุโมทนานะด้วยจ answer, ิต <okay. S 1> ที่ไม่คิดน้อยนิดต่ําใจด้วยจิตที่เรียกว่ามีเป็นกุศลอันนี้สาาามรถทํได้ ดยอาการแห่งการมอบให้เนี่ยจะไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นตุ่มเปิดหรือตุ่มปิดอย่างเดียวประกันใดประกันหนึ่งค่ะเดทที่เช่นเจคับเรียนว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดในลักษณะที่ว่าเขาเป็นตุ่มปิดนะคะแต่ดิฉันกําลังคิดว่าพอชื่อหนังสือชื่อแบบเนี้ยเนี่ยคือเป็นปัญหาของคนไทยก็เลยเสียโอกาสในการที่จะไปกลัวคําใหญ่ห ะ, ะค่ะอืมใช่โพสต์ท่องจริงๆไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งมากไปกว่าการแค่ว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม คำว่อ า, อาองค์ทำแทงการตรัสรู้ทำนี่ผู้ก็ยังงงๆอยู่เอาไปอีกรอบนึงนะคือองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อให้บรรลุธรรมได้ค่ะนี่ค่ะน่ารู้อย่างยิ่งเลยนะคะอืองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อให้บรรลุธรรมได้ใช่องค์ประกอบนี้ยมันคือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็พอนะพผู้เช่าพูดถึงองค์ประกอบเจ็ดอย่างอันใดอันหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยจออยู่ที่ประตูสุนิพันธ์ในปนณมติก็ ถ้าจิตคุณมีอันนี้สักอันใดอันหนึ่งในเจ็ดอย่างนี้คุณจิตคุณพร้อมละจะบรรลุธรรมจะเป็นพระอรหันต์อยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ย ว, วินี่วินาทีนี้ละถ้าคุณทำให้สุดได้ออะไรล่ะคะเจ็ดอย่างนี้ก่ะแล้วีนีน้เจ็ด <laughs> อย่างเนี่ย ถ้าจะพูดให้สรุปแล้วก็สามารถเข้าใจนําไปปฏิบัติได้ในวันนี้เลยเนี่ยก็คือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่คุณจะต้องมีบางทีจิตเรามีสตินั่นจิตคุณพร้อมสู่การบรรลุธรรมละบางทีจิตเราวิจัยธรมรมะธรรมะแต่ใกล้ควรธรรมะอยู่นั่นจิตคุณพร้อมแก่การบรรลุธรรมละบางทีจิตเราทําอย่างนี้ชื่อว่าทําความเพียรทําความเพียรในรูปแบบต่างๆก็ได้ยืนก็ได้เดนินก็ได้นั่งก็ได้แต่คุณก็มีความพร้อมในการที่จะบรรลุธรรม หรือบางทีเร า, ามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเกิดขึ้นมีปีติอย่างเงี้ยปิตินั่นแหละจะพาคุณเข้าวิมุตต์ได้หรือบางทีจิตเราสงบลงไปรวมลงไปเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นปะสะัสทติเป็นความสงบระงับที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กั บ, ก บ, กบตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนะไอ้ตรงนั้นคือปัทธิคือความเย็นสบายในจิตหรือบางทีพอเราเย็นสบายเงื่อนแล้วจิตเรารวมเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิแต่พอมีสมาธิแล้วบางทีเวลามีอะไรมาพูดใครมาพูดอะไรเราไม่กระเตือเลยเรานิ่งอยู่เป็นนิ่งอยู่เป็นอารมณณ์์เเเเดดดีียยวววไ้้คคาาามมป็นนนนอออรั่ืุบกข เจอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งพาคุณเข้าประตูนิพพานได้ ค, คุณจออยู่แล้วอืมเห็นไหมคะท่านฟังพอได้ผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอธิบายให้ง่ายอย่างนี้นะคะโค้ชมก็จะกลายเป็นเรื่องที่อ๋ออย่างนี้เองน่นหรออืมเพียงแต่ว่าอ๋ออย่างนี้เองนั่นหรอเนี่ยเวลาหมดพอดีเลยก่ะท่านค่ะง <c oughs> <c oughs> คงจะเอะต้องบอกว่าเราสามารถสนทนากันได้อีกนะคะแต่วันนี้ทําความรู้จักกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนคะละกัน ซึงก็ต้องกราบนมส ก, การขอบพระคุณท่านเพบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะด้วยวิธีที่ทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายๆค่ะจริบาลในมห ก, การนะคะค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะท่านเพบูรณ์นั้นท่านมีรายการเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะของท่านเองเนี่ยก็อยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเปิดไปฟังกันนะคะเวลาเดียวกันแล้วพอถึงวันจันทร์กลับมาฟังเรานะคะจะได้พบกับตีฉันด้วยที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ วิทยุสทรอเอฟเอ็มร้อครอบครัวข่าวแห่งนี้นะคะเราจะกลับมาเป็นทีมนะคะท่านมาร์กก็จะมาเป็นพระภิกษุที่นําปฏิบัติธรรมในช่วงแรกนะคะแล้วก็ต่อด้วยท่านเพรบูนแล้วก็ถ้าจะขอหนังสือพุทธวจนะเราแจกทุกวันนะคะไม่เลือกว่าวันไหนวันละสามเล่มเป็นหนังสือที่ได้มาจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพลโลท่านเจ้าวาดวานาปภงลำลูกกาคลองศินะคะสัปดาห์นี้นํำทำทั้งหลายไปสู่การปฏิบัติ ถ้าง่ายๆก็ใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ไม่เว้นเสา อ, อาทิตย์เนี่ยคะ่ะในการที่จะฝึกสติกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะขอดรับความขอบคุณจากที่ชั้นสันสนีนาคพงศ์รายการสันสนิสนทนาพุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ